โดยนีสีดอยอีก 3-4 มสตัววิ่งรี่ตามเข้ามาติดติดมันเห็นหม่อมและชวงหญิงคนสวยเป็นจุดหมายทำลายล้างที่ใกล้ใก ล, ใกล้ที่สุดแปลนเข้ามาท่ามกลางความใจหายใจความของทุกคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่เบื้องหลังจุด4 7 0ดับเบิลไรเฟิลในมือของหญิงสาวกำปนาดกบเสียงร้องของมันเป็นนัดแรกเหมือนกันล่อนยิงในระยะห่างเพียงสิบวาเท่านั้น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 รำกล้องแฟดด้านขวาของรอนก็ระเบิดตูมขึ้นอีกในเสี้ยววินาทีต่อมาเสยเข้ากกหูของเจ้าตัวเบนออกจากทางด้านซ้ายวิ่งหัวซุกหัวซูนเข้าไปร้มกลิ้งไม่เป็นท่าอยู่ในพุ่มไม้ราวกับตึกทั้งหลังถล่มลงจังหวะที่หญิงสาวหักหางเหยียวบรรจุกระสุนชุดหมายอย่างรนลานนั่นเองอีกตัวหนึ่งก็วิ่งปรีดิ่งเข้ามาพร้อมกับเสียงสะเทือนแก้วหูดารินพ ง, งะหนีวิ่งอ้อมโคนไม้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 เจ้าตัวเองขณะนี้สะดุดรากไม้ที่พันขาล้มลุกคลุกคลานยังไม่อาจจะส่งตัวขึ้นมายืนได้ถนัดมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่เชษฐาพระออกจากที่ซุ่มพร้อมกับแง่ทรายวิ่งปาดเข้าไปทางดารินทั้งคนใช้ชาวดงและหัวหน้าคณะเดินทางผู้เป็นห่วงน้องสาวจนไม่อาจกล่าวถูกก็ น, นำออกไปพร้อมกันสีดอ บ, บ้าเลือดตัวนั้นสะท้านไปทั้งตัวชู ง, งวงขึ้นสูงและอึดใจต่อมามันก็โงนเงยนอยู่ไปมา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 มันกระชั้นชิดเสียจนเกินกว่าที่จะรลบทันชายยันกับเกิดกวธตามหลังเข้ามาประทับปืนขึ้นแต่แล้วก็ต้องแตกกระจายเพ่นหลบกันไปคนละทางก่อนที่จะเหนีย่ยวไกได้เพราะวิกิจการที่เข้ามาถึงตนเองเสียก่อนโดยไอ้งางามอีกตัวหนึ่งซึ่งตะลุยเข้ามาทางเบื้องหลังชายยันสะดุดเถาวันล้มปืนหลุดห่างมือออกไปช้างตัวนั้นก็ปลีกเข้าใส่เขาอย่างรวดเร็วเสียงจุด45่ห้ระเบิดติดตามมาทางเบื้องหลังจากระพิน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 กลิ่งตัวสุดแรงเกิดหลบงาของมันออกไปทางด้านซ้ายตามบุญตามกรรมปลายงาข้างหนึ่งเฉี่ยดสีข้างไปอย่างบุบวิ์เพียงกระเบียดเดียวปักส่วนลงไปในดินแล้วมันก็หมอบงาทิ่มดินแน่นิ่งอยู่ในลักษณะนั้นอย่างสิน้นฤทธิ์ชัยยันตะกายเขาช่วยปืนเพ่นลุกขึ้นอย่างแทบไม่รู้ทิศ ท, ทางยิงช่วยชยยันนัดนั้นไว้แล้วโดยไม่รอดูผล จอมพรานกระชากลูกเรือนอย่างรวดเร็วส่งกระสุนนัดใหม่เข้ารังเพลิงและเปลี่ยนเป้าหมายไปยังอีกตัวหนึ่งที่กำลังไล่กวดกลุ่มเชษฐาและดาลินอย่างจวนเจียนอยู่ในขณะนี้เหนียวไกออกอไปติดต่อการห่างจากนัดแรกเพียงชั่วพริบตาเดียวโดยเร่งไปที่กระดูกสันหลังมันประกาศสิทธ์พอๆกับนัดแรกคโครมเดียวเจะสารร้ายบริวารของไอแหวงร้มตงึงทั้งทั้งที่มันกาลังวิ่งกวดอยู่อย่างเอาเป็นเอาตาย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 ใบไม้เจ้ากรรมใบหนึ่งพามาบังศูนย์หลังเข้าพอดีเขาเบี่ยงไร่เฟินออกให้พ้นจากใบไม้ที่บังอยู่นางพังในขบวนนั้นก็พุ่งแปลนเข้ามาราวกับจะมีเจตนาสระชีพเพื่อป้องกันจากโขงของมันไว้และในระยะจวนตัวเช่นนี้เขาไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนอกจากหยุดยั้งมฤรยูเฉพาะหน้าองก่กนตูมเป้าหมายแทนที่จะเป็นไอแหวง กลับเป็นตัวเมียรูปโขลงผู้กล้าหานและเสียสละตัวนั้นมันร้องกร้องไปทั้งป่าอย่างน่าเวทนาแล้วก็คู่เข่าหมอบสุดอย่างราบคาบในขณะที่ไอ้ไวร้ายพิยาของมันแหกป่าแตกอู้เห็นแต่บั้นท้ายโถงโถงไปเบื้องหน้าราวกับลมสนาตันโดยมีรูปโขงทหารเอกคู่ใจบังแสงอยู่เบื้องหลังแล้วพินร้องลั่นออกมาอย่างเดือดดานสลัดปลอกทิ้งผักลูกเลื่อนเข้าที่แล้วเล่งอีกครั้งอย่างประณีตที่สุด ทันทีที่เห็นบ้านท้ายของมันถ น, นัดเข า, าก็กดศูนย์ลงแตะกับโคนหาแล้วกระดิกไกแชนั่นคืออวาสานของลิทเดดจุดสแปดมกนั่มกระบอกนั้นกระสุนนัดสุดท้ายของแมกกาซีนชุดนั้นแล้วก็เป็นนัดสุดท้ายที่เขาเหลือติดตัวอยู่ในขณะ น, นี้ได้ฝังอยู่ในกระโหลของนางพังเสียแล้วและบัดนี้ไอแหว่งจอมหาการลับตาไปเสียแล้วย่างไม่มีอะไรจะน่าเสียดายเท่า พราหญ่ยืนสบดพ ร, รมสาดแช่งต่อเหตุการณ์อยู่เป็นเวลาอึดใจใหญ่จนกระทั่งได้ยินเสียงกูเรียกจากเชตดาจึงต่เนินกลับลงมาสมทบกับทุกคนซึ่งขณะนี้รวมกลุ่มกันอยู่ภายหลังที่เหตุการณ์ประจัญบานแบบตะรุมบอลได้ผ่านพ้นไปแล้วเสียงกิ่งไม้หักคืนโคมดังห่างไกลออกไปเป็นลาดับและเสียงปืนจากพวกกองเกวียนที่ได้ยินสนันมาจากขบเบื้องร่างก็สุดสิ้นลงแล้ว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 พร้อมกับเสียงตะโกนผู้จาสั่งงานกันเอกอเกวี่ยหลายคันพลิกคว่าแหลกยับเยินอยู่กับพื้นสับระสิ่งของกระจัดกระจายอยู่เกลื่อนกาดปางพักถล่มลงมากองอยู่กับพื้นเห็นผา ด, ดในขณะนี้ประหนึ่งว่าจะถูกบันดาลขึ้นด้วยอํานาจมหาวาตะสลับไปกับสิ่งที่เห็นอยู่นี้คือภูเขาสีดําหลายลูกที่กองอยู่เป็นหย่อมหย่อมบางอยู่ในลักษณะหมอบคู้บางก็กลิ้งตะแคงไม่ต่ากว่าเจ็ดแปดลูกด้วยกัน เฉพาะที่เห็นคาอยู่รอบบริเวณที่โรคซากโคจัสารทั้งนั้นใครสามคนในจำนวนนั้นพากันวิ่งสวนเข้ามาโดยเร็วอย่างกระหืดกระหอบพอใกล้เข้ามาก็เห็นได้ว่าเป็นบุญคำจันและเสยพรานของระพินนายไอแหวงบุกแคมเราทั้งสามร้องตะโกนรายงานมาระนัําระลักแทบจะฟังไม่เป็นภาษาพยานหลักฐานเท่าที่มองเห็นบาดผ่ดอยู่ในขณะนี้ก็ประจักชัดอยู่แล้ว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 ขณะที่ทุกคนกำลังยืนปรองสองเวทอยู่ที่ศพของลูกหาบสายตาของพรานใหญ่แหลไปศบตาของแง่ทรายผู้ทอดมองมาก่อนแล้วเงียบๆต่างจ้องกันนิ่งอยู่เช่นนั้นไม่มีความรู้สึกใดๆที่ระพินสามารถจะค้นพบได้จากแววตาของหนุ่มชาวดงพนเนจรนอกจากจะบอกได้ว่ามันเต็มไปด้วยความชาเฉยและลึกลับอยู่เหมือนเดิมแน่ละเขายังจาได้ถึงคาพูดของแง่ทรายในข้อที่ว่า ความพินาของชีวิตในคณะพักจะต้องเกิดขึ้นในการติดตามล่าไอ้แว่งโดยอ้างว่าเป็นคำทำนายของพระทุดงในความฝันบัดนี้มันก็ดูเหมือนจะปรากฏผลสมจริงขึ้นมาแล้วจากคำบอกเล่ารายงานพอจะประมวลได้ว่ากองเกวียนภายใต้การนำของบุญคำพรานอวุโสได้มาตั้งแคมหยุดรอคณะนายจ้างและผานใหญ่อยู่ตาแหน่งนี้เป็นเวลาสี่คืนแล้ว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 6คนเข้าอีกอย่างที่ปรากฏแล้วการสำรวจผลเสียหายพบว่านอกจากสูญเสียชีวิตลูกหาไปสามคนอย่างน่าอเนจอานาดแล้วเกวียนสามเล่มถูกเหยียบพังไม่มีชิ้นดีหีบพอสัมภาระส่วนหนึ่งแตกหักเสียหายยับเยินส่วนมากเป็นพวกสเสบียงและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายต่างๆที่ดาดินเป็นคนขนมาอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจาเป็นแล้วเจ้าตัวคนขนมาเองก็แทบเป็นลม เมื่อค้นพบว่าพิมพ์ดีดกระเป๋าหิ้ที่รอนเอาติดตัวมาด้วยเพื่อทําวิทยานิพนธ์กล้องถ่ายรูปและเครื่องเล่นจานเสียงสเตอริโอกลายเป็นเศษวัสดุชิ้นเล็กชิ้นน้อยบี้แบรนแฉกลานใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อีกเลยโชคดีเหลือเกินที่ขังอาวุธเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดและเครื่องเวชภัณฑ์รอดพ้นจากบาทาภัยของทัพช้างมฤดยูไปได้อย่างหุดหวิดแสดงว่าพวกประจําแคมป์ทั้งหมดแม้จะถูกจู่โจมโดยไม่ทันรู้ร่องหน้า ก็ยังสามารถยิงต่อสู้ขัดขวางและขับไล่พวกมันเป็นการสกัดกั้นไว้ได้ทันก่อนที่ชีวิตระทรัพย์สินส่วนใหญ่จะพินาศมากกว่านี้ควายเทียมเกวียนหกตัวตื่นสะบัดเชือกขาดวิ่งกระเจิงหายเข้าป่าไปแล้วผินสั่งให้จัดการขุดหลุมฝังศพพวกลูกหาบเคราะหร้ายในทันทีนั้นแล้วให้เสยกับจันและลูกหาบอีจานวนหนึ่งไปจัดการตามควายที่สะบัดเชือกขาดกลับคืนมา ขณะนี้คณะนายจ้างของเขากำลังสำรวจสิ่งของที่ถูกทำลายเสียหายเสียงชายยานสบดสาบแช่งลั่นส่วนดาลินนั่งคุกเข่าอยู่ที่เศษกรงของพญาลอซึ่งจัน์เป็นคนทำให้ซ่าของสัตว์ประเภทไก่ฟ้าตัวที่ร่อนรักและใส่อยู่ในกรงอันนั้นบัดนี้แหลกติดดินคงเหลือแต่เศษขนงามไว้ให้เห็นเท่านั้นมันทาลายทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กๆแสนสวยที่อยู่ในกรงนี่ หล่อนครางออกมาเสียงเครือเม้มริมฝีปากแน่นจ้องดูซาฟพยาลรอตัวนั้นอย่างสเวยใจทันทีนั้นก็ได้ยินเสียงห้าวๆดังขึ้นใกล้ๆว่าชีวิตรูกหาบของเราสามคนมีค่าหน้าพุทธโธมากกว่าชีวิตเล็กๆของพยาลรอตัวนั้นดารินเหลือบขึ้นสบลารพินด้วยประกายวาวหัวราะผ้าอยู่ในลาคออ๋ อ, อใช่สิคนของเรานะ่ไม่ต้องพูดถึงละ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 ขณะนั้นชายยานันผู้กําลังตรวจของอยู่กับเชิฐาก็หิ้วเสกเครื่องพิมพ์ดีและกล้องถ่ายรูปของดารินขึ้นชูโคลงหัวจุ๊บปากเบาๆน้อยปนเปืป้หมดแล้วเครื่องพิมพ์ดีสเตอรีโอกล้องถ่ายรูปสเปเฮราจิปาถะของเธอหม่อมราชวงศ์คนสัวยิ้มฝืดฟืดบอกมาอย่างขมขื่นว่าช่างมันเถอะชายยานต่อไปนี้เลิกเขียนเลิกฟังเพลงเลื่องเลิ ก, ล ก, ลกถ่ายรูปกันเสียทีฉันพร้อมจะมารู้เอาเดี๋ยวนี้เองว่า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 ดาลินนั่งซึมไปชายยันยังคงบนอุบอยู่เช่นนั้นอะไรก็ช่างเถอะเสียดายกล้องถ่ายรูปเหลือเกินต่อไปนี้เราไม่มีโอกาสจะบันทึกภาเพเหตุการณ์ที่จะพบเห็นต่อไปข้างหน้าแล้วเลิมนึกไปแต่แรกลูกนี้เอาเผื่อมาอีกสักสองสามกล้องก็ยังดีนี่มีมากล้องเดียวพอบรรลัยไปหมดก็สิ้นกันเลยหัวหน้าคณะถอนใจยาวลุกขึ้นยืนตัดบทมาว่าอย่าไปเสียดมเสียดายอะไรมันอยู่หรืออีกเลย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 นอกจากปลอดภัยทุกคนครับพวกที่ตายคงจะโจนตัวหบไม่ทันเห็นบุญคำบอกว่าขณะนั้นมันสับสนโอลหมานเป็นหมดมองไม่เห็นอะไรเลยป่าทั้งป่ามืดไปด้วยขโขลงช้างนับไม่ถวนที่บุกพร้อมกันเข้ามาทุกด้านไรฟที่ใช้ยิงประทะนในครั้งนี้ก็มีเพียงแค่สามกระ บ, บอกจากบุญคำเสยและจันนอ์นอกนั้นถูกบรรจุลงหีบไม่ได้นำออกมาใช้ประโยชน์เลยเพราะไม่รู้ตัวกันมาก่อน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 แง่ทรายเองก็แกล้งปานแลดแม้จะผ่านการเดินทางหนักมาตลอดเมื่อมาถึงที่พักก็ไม่ได้พักผ่อนเลยคงปฏิบัติหน้าที่รับใช้คณะเจ้านายประจำเต็นเหมือนเดิมโดยไม่มีท่าทีว่าอ่อนเปรี้ยเพรี้แรงแม้ว่าดาดินจะเอ่ยปากอนุ ญ, ญาตให้ไปพักได้ตั้งแต่เริ่มต้นออกเดินทางมานี่ลูกหาบของเราตายไปแล้วหคนจากจํานวนเต็ม16คนถ้าไม่นับอ้กุดกับไอ้ผีขโมย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 ขณะนี้หญิงสาวนั่งอนุมมันนวดเท้าเท้าของตนเองอยู่ที่เตียงสนามและประครบด้วยไอ้น้ำร้อนที่แง่ซายายกหม้อเข้ามาให้มันทำให้ฉันไปคิดถึงคำพูดของแง่ายมันเป็นความจริงอย่างที่แง่ายาพูดไว้ไม่มีผิดนั่นก็คือเราจะต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปอีกในการติดตามไอแ้แหวงเธอคิดว่าเราควรยุติการตามไอแ้แหวงลงเพียงแค่นี้หรือช ย, ยันถามมา แพทสาวหัวเรา ก, กระด้างอยู่ในรำคอเอาผ้ากอสพันนข้อเท้าข้างที่แพรงไว้อย่างหนานแน่นแล้วจุดบุหรี่อัดควันลึกเอนหลังพิงหมอนอยางเหลือบตาขึ้นมองดูกลุ่มควันเอ่ยช้าๆแต่หนักแน่นมั่นคงฉันเพียงแต่คิดถึงคำพูดของแง่ร า, ายเท่านั้นแต่ถ้าจะให้หยุดตามไอแว่งก็ยอมให้พวกเราถูกมันฆ่าตายเสียหมดดีกว่าถ้าช้างตัวนี้อยู่ก็ไม่ควรมีคณะของพวกเราเหลืออยู่ในโอกนี้